ทำเงนทำสบายวันนี้อาตมา ก, ก็ตั้งใจะจะพูดเรื่องสุขใจขณะทำงานเมื่อกี้พระอาจารย์จุ้มก็ได้นําสวดมนต์บทธรรมปาหังซึ่งบท น, นี้พระพุทธองค์เครียเนเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะถ้าเราทำงานบางคนเนี่ยวางใจไว้ไม่เป็นขณะทำงานก็ไม่มีความสุขจะมีความสุว่าทำด้วยความจาเป็น ทำด้วยความจำใจแต่ถ้าเราทำงานเป็นทำด้วยความเต็มใจเราก็จะมีความสุขเหมือนอย่างญาติโยมเนี่ยมามาทำวัดเช้าอาจจมาคิดว่าในที่นี้ทุกคนคงตั้งใจมาแล้วเตี็มใจมาแต่ถ้าเรามาทำวัดแบบไม่เต็มใจมีความสุ่มโดยบังคับอันนี้เราจะไม่มีความสุขเลยตกตะลกต้องชั่วโมงหนึ่งงานก็เหมือนกันถ้าเราทำงานแบบไปลูกจ้างเพราะลูกจ้างเนี่ยจะต้องได้ผลตอบแทน ทำงานแบบนั้นก็จะไม่ค่อยมีความสุขแต่ถ้าทำงานทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและที่สูงกว่านั้นคือการทำงานสามารถปฏิบัติธรรมจเจริญสติด้วยอันนั้นยิ่งได้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่เมื่อก่อนมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น มีเมืองเล็กๆอยู่เมืองหนึ่งชื่อเมืองบูเซ็นอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นที่นั่นภูมิประเทศจะเป็นภูเขาสูงผนทางการสัญจรไปมาของชาวบ้านแถวนั้นจะมาในเมืองลำบากมากเพราะต้องเดินขึ้นเขาและช่วงที่มีหิมะตกทางก็เล็กๆ บางคนก็เกิดอุบัติเหตุตกเขาตายก็มีแต่ละปีจะมีคนตกเขาตายหลายคนไม่ตกเขาตายก็แข้งขาหักลื่นล้มมีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าซินไก่ท่านก็เห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านแถวนี้ท่านก็มีความตั้งใจว่าจะต้องช่วยชาวบ้านแถวนี้ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปในเมือง ท่านก็เตั้งใจว่าจ ะ, จะเจาะมงให้ทะลุภูเขาให้ได้ภูเขาลูกนี้นะมีความยาวประมาณเก้าร้อยเมตรเกือบๆขุนตายกับประเทศไทยอ่านก็นตั้งใจว่าเลยชีวิตนี้จะอุทิศให้กับภูเขาลูกนี้แล้วถ้านก็นเริ่มลงมือทําตอนเช้าก็ไปบินทาบาทแล้วจาทานอาหารเสร็จก็จะนําค้อนกระสกัด ลงมือสกัดหินทำทั้งวันเหนื่อยก็พักคนแถวนั้นเห็นก็ว่าท่านบ้าคนคนเดียวจะเจาะภูเขาแล้วทั้งลูกได้ยังไงมีแต่คนหัวล้อย่อคือไม่มีใครเห็นด้วยวันแล้ววันเล่าท่านก็เมือย่อท้อท่านก็ยังสกัดหินต่อไป จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ28ปีแล้วจากพิสูุหนุ่มตอนนี้ท่านก็เป็นหลวงพ่ออายุประมาณ50ท่านยังทำต่อไปแต่ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วแหละ แ, แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาท่านชายคนนี้เป็นสบู่ลายตามหาท่านมาหลายปีแล้วเพิ่งมาเจอ ที่จริงก็เป็นคนที่จะมาตามล้างแขนท่านเพราะในอดีตท่านเคยฆ่าพ่อของชายหนุ่มคนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการฆ่าปิดตัวชายหนุ่มก็ถามถามชื่อซึ่งท่านก็ยอมรับว่าท่านชาใช่นอดีตเคยฆ่าพ่อชายหนุ่มจริงแต่ท่านขอเวลาทํางานเจาะอุโมงค์ให้เสร็จแล้วท่านจะมอบศีรษะให้โดยดี โดยจะไม่หนีไปไหนชายหนุ่มก็เห็นว่าท่านก็อายุมากแล้วแว ต, ตั้งใจทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมก็เลยยอมผ่อนผันให้ก็ปุ้นปีอยู่แถวนั้นแต่ก็ระแวงกลัวท่านหนีกลัวท่านอู้งานมั่งแต่สังเกตดูแล้วท่านก็ไม่อู้ท่านกลับขยันทำมากขึ้นบางค้างกลางคืนได้ยินเสียงสกัดชายหนุ่มเห็นแบบนี้ทุกวัน ตอนแรกก็ระแวงตอนหลังก็เริ่มไม่ระแวงก็มีฟ้ารู้สึกว่าอยากจะช่วยพอพูดคุยกันก็มีฟ้ารู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นก็เลยลงมือช่วยท่านขุดอีกคนหนึ่งจึงทำให้ภูเขาเนี่ยสำเร็จเป็นดวงมงค์ได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็สําเร็จโดยใช้เวลา30ปีสามารถทาให้คนเนี่ยสัญจรไปมาสะดวกขึ้น ไม่ต้องเดินอ้อ ม, มอเดินอ้อมหรือเดินข้าภูเขาแล้วตอนนี้คันงานเสร็จหลวงพ่อสิญกายก็บอกชายหนุ่มว่าเราขุดเจาะโ อ, อง่งแทงแทงทึบสาเร็จแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมอบศรีรษะเพื่อใช้นี่ให้แก่เธอจงตัดศรีรษะเราได้ชายหนุ่มก็ก้มลงกราบหลวงพ่อ แล้วก็บอกผมจะตัดศีรษะของอาจารย์ได้ยังไงเพราะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยท่านสอนธรรมให้ผมตลอดสอนให้เห็นกว่าอดทนความไม่กลัวอุปสรรคจนธรรมะเนี่ยซึมซากรข้าในตัวชายหนุ่มด้วยอันตาก็ลืมเล่าไปมีอยู่จุดหนึ่งสมัยที่หลวงพ่อสิขยยงข์ใหญ่หนุ่มๆท่านเคย คนรับใช้ของบ้านขุนนางโชกุลแล้วไปไปเป็นชู้กับภรรยาของขุนนางโดยไม่ตั้งใจเพราะท่านเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีภรรยาขุนนางจึงชอบแค่เป็นชู้กันแล้วมีวันหนึ่งขุนนางจับได้ขุนนางโกรธมากจึงฟาดดาบได้ก็ไล่ฟันท่านอุตลุด ท่านเจออะไรก็ป้องกันตัวจนมีขุนนางเนี่ยส่งดาบให้ท่านก็เลยฆ่าขุนนางตายโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็หนีไปอยู่กับภรรยาขุนนางมาตอนหลังท่านเกิดสำนึกผิดว่าตัวเองได้ทำบาปไว้จึงหันมาบวชแล้วก็ตั้งใจทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม เพื่อถ่ายถอนความผิดนี้ท่านก็ตั้งใจจะทำความดีแล้ท่านก็ทำได้จริงๆทําในสิ่งที่คนอื่นทําได้ยากแล้ก็เป็นประโยชน์กับมหาชนความพยายามผอความสำเร็จถ้าเราไม่ท้ออย่างพระพุทธเจ้าวันที่ท่านตัสรู้ท่านก็ีฐานจิตว่าเนื้อหนังเอ็นกระดูกจะเหื่ยนแห้งไปก็ตามถ้าไม่รู้สัมมาสัมโพธิญาณ เราจะไม่ลุกจากที่นั่งแต่เราไม่จะเป็นต้องทาถึงขนาดนั้นเพราะว่าพระพุทธองค์นะ่ะบรารมีท่านเต็มถ้าเราไปนั่งอาจจะตายเปล่าก็ได้เพราะว่าพระองค์ถึงพร้อมแล้วคือท่านบาเพ็ญมาหลายภพหลายชาติแต่เราก็สามารถนำวิธีคิดนี้มาใช้กับงานหรือชีวิตประจำวันเราได้เพราะถ้าเราทำงานแล้วเลอกล้มซะก่อนงานนั้นก็ไม่สำเร็จแต่การงานก็มีอุปสรรค อย่างตัวธรรมานเนี่ยเมื่อก่อนก็เจออุปสรรคเยอะในการทำงานอย่างช่วงงานศพหลวงพ่อเนี่ยบางครั้งเลิกงานก็ดึกถ่ายรวบรวมเหตุการณ์บรรยากาศต่างๆของงานศพหลวงพ่อเอาไปลงให้เพื่อนๆใน f Facebook ได้ชมกันประมาณครึ่งเดือนได้้อง2ีกว่าอัลบัม้มแถมยังมีอัลบั้มของช่งางภาพมืออาชีพอีกต้องหลายกล้อง ทีคนมากดไลค์กดแล้วมาชมกันมากมายคือเป็นภาพเป็นความทรงจำหรืองานกรปกรงานบวทเนนงานเดินทัพยาตาเนี่ยข้อคิดข้อเขียนอาจารย์กำพลของอาจารย์เปีสารของหลวงพ่อมเขียนหรือของครูบาอาจารย์อื่นที่มาทำไว้ใน Facebook เนี่ยเราก็ลงแรงไปมากแต่แล้วอยู่มาเมื่อไม่นานนี้ Facebook ก็บีบใแพเรามาเนี่ยทาเป็นแฟนเพจ คือเขาไม่ยอมพอทําเป็นแฟนเพจเขาก็ลบข้อมูลนนมหนาบดเลยลบรูปลบงานลบวิดีโอลบงาน ต, งต่างๆที่เเคยทำไว้กลายเป็นฟาร์มว่างแต่เขยังดีนะเขายังเหลือเพื่อนไว้ให้ไม่ลบเพื่อนไปด้วยคือถ้าลบเพื่อนก็หมดเลยแต่ละมาก็ไม่ทอนะนมาก็ตั้งใจไว้ว่าเราจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ข้อมูลเก่าจะโดนลบหมดแลวมีผลกระทบกับคนหลายคน ที่เขาเอารูปมาให้บางคเข้าไปดูรูปเหตุการณทรงจาตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะการงานต่างๆเนี่ยมีอุปสรรคหมดแหละสิ่งเราทําได้คือม่ท้อแล้วก็ในเรื่องปัจจุบันอดีตเราไม่สามารถแก้ไขได้ทิ่นเดียก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันมีชายชราอยู่คนหนึ่งชายชรานี้ชื่อว่าแมนจิ เป็นคนจังหวัดมคัคุดแฟนพี่หานก็ได้สร้างตำนานอารุศรในความรักไว้ที่ยิ่งใหญ่คือลงมือขุดภูเขาใช้เวลา22ปีอันนี้คล้ายเรื่องเล่าที่เรามาเล่าเรื่องแรกนะเรื่องแรกเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นเรื่องที่สเกิดประเทศอินเดียรูแมนจีที่ต้องขุดภูเขาเนี่ยเพราะว่า ระยาของท่านได้ตกเขาขาหักระหว่างภูเขาไปที่เมืองเนี่ยต้องใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยถึง73กิโลเมตรทั้งที่เมืองก็อยู่ไม่ไกลถ้าไม่มีภูเขาขวางกั้น <c oughs> ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณกิโลกว่าเท่านั้นถ้าเกิดตั้งใจไว้เลยว่าจะขุดภูเขาทลายภูเขาลูกนี้ให้ได้เพื่อใช้คนเนี่ย เดินทางไปมาสะดวกเไมะงั้นคนไปมาก็ยากเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมท่านก็ตั้งใจอุทิศชีวิตให้กับภูเขาลูกนี้อย่างหลวงพ่อสินไกยท่านเจาะอุโมงแต่ว่าลุงแมนจิเนี่ยแกตั้งใจทาภูเขาให้เรียบไปเลยนะไ ม, ไ, ไ, มไม่ได้จุไไดไม่ได้เจาะอุโมงเพราะภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณเจดเมตรเก้าก็คือเกือบดเมตร คือคงสูงไม่มากแตก่คงจะจะยาวผอสมควรถ้าไม่งั้นก็คงจะไม่ใช้เวลายิบสองปีใหม่ๆที่ทำชาวบ้านแถวนั้นก็ว่าท่านบ้ารูเมนจิเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทำนาเป็นคนยากจนกว่าจะหาเงินซื้อคอนซื้อสิวซื้อผ่าซื้อเชือกอะไรได้เนี่ยได้มาด้วยความยากลำบากทำให้ใหม่ ก็ต้องทำคนเดียวอะ่ะไม่มีใครช่วยเลยมีคนล้อท่านน่บ้าเขาตั้งฉายาไว้ของท่านไว้ว่าลุงโง่ย้ายภูเขา อ, นนอันนี้เป็นตำนายของอินเดียท่านเนี่ยขุดคนเดียวนะส2บปีจนตัวหลังชาวบ้านแถวนั้นเห็นว่าท่านเนี่ยตั้งใจทำจริงจึงมีความคิดทีด่ช่วยเหลือจึงลงขันกัน ไปซื้อคอนซื้อสิวพ่วเชือกและเครื่องมือต่างๆแล้วลงมือมาช่วยท่านทำเปเรามาสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้ก็เป็นความจริงก็สามารถทำสำเร็จได้เริ่มขุดภูเขาตั้งแต่ปี2502มาแล้วเสร็จเอาปี2524ใช้เวลา22ปีภรรยาของท่านก็ตายในระหว่าง10กว่าปีแรก ท่านก็เลยมีความตั้งใจยิ่งขึ้นว่าจะต้องขุดภูเขาให้ภรรยาท่านเพื่อเป็นอูปสรอนในความรักและถ้านก็นสําเร็จความพยายามคือความสําเร็จสองเรื่องนี้ถ้าเรามาวิเคราะหยดีเนี่ยสามารถเป็นกำลังใจให้เราได้ในการทรําความเพียรบางครั้งการทํางานเจออุปสรรคเราย่อท้อเลิกล้มเนี่ยหรือปฏิบัติธรรม เราคิดถึงคนที่เขาลำบากกว่าเราเขาตั้งใจมากกว่าเราเนี่ยเราก็เกิดกําลังใจถ้าว่าเรามีแรงใจในการทํางานต่อไปหรือปฏิบัติธรรมอย่างคนป่วยถ้าเรานึกถึงชายอยู่คนหนึ่งชายานี้หัวใจยิ่งใหญ่คืออาจารย์กระพนทองคุณนุ่มเราก็จะเกิดกำลังใจขึ้นมานทีว่าชายคนนี้อ พิการช่วยตัวเองก็ไม่ได้เวลาอาบน้ำหรือทำอะไรต่างๆจะต้องมีคนช่วยเหลือตลอดท่านก็อยู่อย่างมีความสุขไม่ท้อแท้และเป็นกำลังใจคนอื่นเป็นอุปกรณ์สอนธรรมด้วยก็มีหลายคนที่เอาท่านไปเยี่ยงอย่างจนตัวเองไม่ทุกข์ก็มีหลายท่านแล้วเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะ ของหลวงพ่อเทียนการเจริญสติแบบหลวงพ่อขมเคียนที่สอนไว้อะทำแล้วได้ผลเพราะว่าคนปฏิบัติทำใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความสงสัยอยู่ว่าทำไปแล้วเกิดอะไรเมื่อไหร่จะได้ผลคือระหว่างผลไงเหมือนลูกจ้างเนี่ยลองเรเียนออกคือไปคิดคิดเอาข้างหน้าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันถ้าเราสร้างเหตุถูกผลก็เกิดได้เร็วแต่เราสร้างเหตุไม่ถูกผลก็เกิดช้าหน้าที่ของเราคือคือทาไป จะได้ผลหรือไม่ได้ผลแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเร่เลิกรบกอนมันก็ไม่ได้ผลฮนะมันก็เหมือนการทำงานการวางใจในการทำงานถ้าเราทำงานเป็นเราก็มีความสุขอย่างพูดญาติโยมมาอยู่ว่าช่วยฝาดใบไม้ล้างจานช่วยวาดถูช่วยทำงานต่างๆมาค้ า, ง, า ง, คงทำเสร็จใบไม้มันก็ร่วงลงมาอีก แต่ถ้าเราวางใจให้เป็นเราก็จะไปโทษใบไม้เอ๊ะทำไมร่วงมาทำไบโทษดินฟ้าอากาศไปเลือเ่อยเปื่อยแต่ถ้าเราวางใจใเป็นเราก็ยัไม่โทษเราก็บอกฝาดใหม่ก็ดีเราจะได้ออกกำลังกายหรือไก่ไก่มาคุยให้เลืเ่เธอะเราก็ฝาดอีกแต่ถ้าเกิดเราตั้งจิตได้ผิดเราก็จะไปโกรธไก่บางครั้งไก่ไก่มาขี้ หรือหมา ข, ขี้แล้วเราไปทาความสะอาดเนี่ยเราก็จะไปโทษกรหมาแต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกเนี่ยเจอต้นไม้ล้มเจออะไรที่เป็นอุปสรรคทําให้คนอื่นไม่สะดวกเราก็ช่วยทําเจอสะพานผุเราก็ช่วยซ่อมให้คนเดินข้ามสบายขนาดที่ทาเราก็มีความสุขแล้วคนอื่นก็ได้ประโยชน์จากการทํางานของเราประโยชน์ตนประโยชน์ท่า น, นนี้พวก โยมวาสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ตั้งแต่ตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายเผลอไปก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้สึกตัวก็ถือเป็นการเจริญสติอย่างพระเดินมิถาบัดก็รู้สึกตัวไปแต่ถ้าเราเผลอก็ไปคิดเรื่องรู้เรื่องนี้ไปเลื่อยเปื่อยก็ไม่เป็นไร้วกลับมารู้สึกตัวเพราะว่าถ้าเราไปเพง่งไปเพง่งไปจ้อง มันก็จะไ<ะ>ปอีกแบบหนึง่งการปฏิบัติธรรมหลวงพ่ อ, พอเขียอาจารย์พลก็บอกให้ปฏิบัติแบบสบายสบา ย, บา ย, บายไม่เพง่งไม่จ้องเผลอบ้างรู้มัง่งก็ไม่เป็นไรธรรมเนียธรรมชาติการใช้ชีตประจาวันถ้าเราใช้ใเป็นเราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้มากมายบุญก็ต่อบุญบาปก็ต่อบาปอย่างบุญกิจยา ว, วัตถุ10 ตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลภาวนาการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยเหลือขนขวายการแบ่งปันความดีการร่วมยินดีอนุโมทนาบุญกับคนที่ทำความดีการฟังธรรมการแสงธรรมการทำความเห็นให้ถูกต้องญาติโยมสามารถทำได้ทุกข้อเลย อย่างพวกตอนที่พวกโยมกำลังฟังธรรมอยู่ก็อยู่ในบุญข้อที่บุญข้อที่7แต่ถ้าโยมฟังธรรมแล้วเกิดไปเจอคนที่กำลังทุกข์ใจคนท้อแท้หมดกำลังใจโยมไปพูดให้เขาเกิดกำลังใจขึ้นมาอันนี้โยมก็แสดงธรรมก็ช่วยเ้าได้บางคนอกหักกำลังกุ้มใจอยากฆ่าตัวตายเลยพูดชี้เขาเห็นโทษ ชี้เขาเปลี่ยนความคิดไม่ฆ่าตัวตายให้เขาเปลี่ยนมุมมองได้เนี่ยโยมก็แสดงธรรมการแสดงธรรมไม่จาเป็นต้องเป็นพระแสดงเท่านั้นโยมก็แสดงได้ประข้างการแสดงธรรมอาจจะไม่ต้องอาศัยการพูดอาจจะเป็นการเปิดใจรับฟังให้คนอื่นได้ระบายหรือไม่ก็ให้หนังสือทรรมะให้ซีดีชี้แนะครูบาอาจารย์ชี้สํานักปฏิบัติ อันนี้คือการแสดงธรรมเหมือนกันการทําความเห็นถูกต้องอันนี้ก็สําคัญเห็นว่าบุญมีบาปมีกรรมมีมรรคผลนิพพานมีถ้าเกิดเราเรามีความเห็นผิดเนี่ยมันก็จะทําผิดตลอดสายเพราะกิเลสจะหลอกให้เราไปคนละทางกิเลสจะหลอกเราทําชั่วบาปต่อบาป สมมตก็มีพระหลายรูปที่ขี้เกียจมาทําวัดพอพอไม่ทําวัดนานๆเข้าก็จะเริ่มไม่มาบิณฑบาตพอไม่บิณฑบาตปุ๊บนานๆเข้ากิเลสก็หลอกให้ไปใช้ชีวิตอย่างสบายดูหนังฟังเพลงทุกวันดักๆเข้าก็กินอาหารได้สามมือ้อหรือทําอะไรที่ตัวเองชอบอันนี้ก็มีพอดักๆ ก, กว่า น, นั้นก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็สึกไปเลย อันนี้อันมาเห็นมาเยอะเพราะว่ากิเลสมันจะหลอกให้เราออกจากการทําความดีแล้วมันก็มีข้ออ้างมีการป้องกันตัวให้กับกิเลสแต่ถ้าคนที่เป็นบัณฑิตจะไม่จะไม่ป้องกันตัวให้กิเลสผิดเราก็บอกว่าผิดทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเราก็บอกไม่ถูกต้องเพราะกิเลสบางครั้งเราป้องกันตัวเราไปป้องกันให้เขาเนี่ยกิเลสมันก็ใหญ่โตใหญ่ขึ้นอัตราก็จะมากขึ้นโดยธรรมชาติคนเราจะป้องกันตัว พอเรบีตาอยู่เราจะหาทางเข้าข้างกิเลสอางอุลอ้างนี่ไปเรยเปลื่ยอันนี้เป็นกับทุกคนอาตมาก็เป็นแต่ต่หลังามาถ้าคนไม่มาปฏิบัติธรรมไม่มาเรียนธรรมะจะไม่รู้ตัวนี้หรอกแต่ละคนมาปฏิบัติธรรมมาเรียนธรรมะเราก็จะเป็นคนที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็เข้าใจกิเลสแต่ถึงเราจะมีกิเลสอยู่นะแต่เราก็จะไม่เหมือนเดิมเราอยู่กันได้แต่เราก็จะไม่ปกป้องเจ้า เพราะบางครั้งเราทํางานหรือหน้าแตกหรือทําอะไรที่แบบยังไงล่ะบางครั้งเราก็ต้องหัวล้อยอะมันบ้างเพราะว่าอัตตาเนี่ยบางครั้งมันจะรักษาหน้าตัวเองอยากให้คนชื่นชมแต่ถ้าเกิดบางครั้งเราทําอะไรผิดเนี่ยมันผิดกันได้น่ะคนเราทุกคนสามารถทำผิดได้หมดแต่ถ้าเรายึดาตาเนี่ยเราจะผิดไม่ได้เลยเราจะทุกข์ใจมาก เราสร้างภาพสร้างรูปแบบให้อัตตาบางคราวผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นอัตตาเนี่ยถ้าเราเข้าใจมาเนี่เราก็อยู่กันได้เพราะการที่เรามีอัตตาน้อยชีวิตเราก็ถูก้อยถ้าเรามีอัตตามากเราก็ทุกมากตัวกูของกูไอ้นุ่งก็ตัวกูไอ้เร้ของกูมันยึดหมดแหละ แต่เราเข้าใจเราก็เราก็มีของเราก็ไม่ยึดว่าเป็นของเราเท่าไหร่เวลาหายเราก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่แม้ตัวเราเองเราก็ตั้งอยู่ด้วยความไม่เที่ยงเราก็แก่ไปเรื่อยๆมันไม่อยู่ใต้บงังคับบัญชาของเราอายุมากตาก็เริ่มฟ้าฟางผมก็หงอกตีนกลาก็เริ่มลึกเรี่ยวแรงก็น้อยลงน้อยลงอันี่เป็นทุกคนพวกญาติโยมที่อยู่เนี่ยบางคนส่วนใหญ่จะอายุมากกว่าอาเมาจะเข้าใจตรงนี้ เข้าใจคามงชีวิตว่าเราบังคับบัญชาร่างกายไม่ได้เลยเดี๋ยวเราต้องเจ็บแก่แล้วเราต้องตายอันนี้ตายหมดไม่มีใครรอดในที่นี้ตายทุกคนตายช้าตายเร็วสิ่งที่เราทําได้ก็คืออยู่กับปัจจุบันไม่ให้ตัวเองทุกข์ถ้าทุกข์ก็ขอให้ทุกน้อยที่สุดแล้วก็ทํางานอะไรก็อย่าท้ออย่าเลิกกลางคาัานทําอะไรก็ตั้งใจทําทให้สําเร็จ อยงหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็พูดว่าการทำงานน่สามารถปฏิบัติ ท, ทาได้ท่านก็แต่งกรเกี่ยวกับการทำงานไว้หลายกรณ อ, อัญมารูจะท่องอโยมฟังก่อนจะจบอันการงานคือคุณค่าของมนุษย์ของม่กเกียริสูงสุดอย่าสงสยัยถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรได้รู้ทำทำซึ้งจริง เพราะการงานเป็นตัวการประพฤติ ธ, ธรรมกุศลกรรมกล้ามปวดบามีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เปรียบคนฉลาดยิงนัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกมาคือการงานนั้นต้องทำด้วยสติมีสมาธิขันตีมีอุสามีสัจจะมีธรรมะมีปัญญามีศรัทธาและก้าหารรักงานจริงอันการงาน นั้นดูให้ดีมันน่ารักเมื่อยังไม่รู้จักก็อ่างขนางไม่รู้จักก็ปล่อยปาแล้วล่าวางบ้างร้องคางเมื่อรอหน้าว่าเบื่อจริงแต่ที่แท้การการงานนั้นน่ารักสอนให้คนรู้จักไปทุกสิ่งถ้ายิ่งทำยิ่งฉลาดไม่พลาดยิงได้ตรงดิ่งสิ่งอุ ก, กิจคือจิตเจริญ อันที่จริงการงานนั้นน่ารักเป็นการชักธรรมะมาน่าสารเสริญคือมีสติฉันทะธรรมะเกินขันหยุดเพลินจิตกวางทางนิพานอันการงานนั้นประเสริฐตรงที่สนุกถ้ายิ่งทำยิ่งสนุกทุกสถานทำชีวิตให้สดใสใจเบิกบานอยู่ในการงานประจำวันนั่นเองนา เมื่ออย่างนี้มีแต่คนวิมลจิตเย็นสนิทวงใจไร้ถูกสาเกิดสังคมที่อุดมด้วยเมตตาอยากเรียกว่าท ร, ร ม, มิกะสังคมนิยมคนท้องงานล้นเหลือเผื่อแผ่ทั่วสัตว์ทุกตัวใหญ่น้อยคอยสุขสมทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่ได้ชื่นชมโลกระดบสุขวางทางทานิพพานอันมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาขอความสุขความเจริญทจงมีกยญาติโยมทุกท่านขอจบแค่นี้